ตัดกรรมด้วยศีลห้าเราจะตัดกรรมตัดเวรหมายถึงตัดผลเพิ่มของบาปของเวรศีลห้าเป็นอุบายการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมแต่บาปกรรมเก่าที่เราทำเอาไว้มันก็ยังอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ตัดให้หมดไปแต่มันตัดผลเพิ่มตังหาก สมมุติว่าเมื่อวานนี้เราทำบาปได้น้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมวันนี้เรามางดเว้นเด็ดขาดเราไม่ทำบาปก็ยังเหลืออยู่กิโลกรัมเดียวแล้วเราสร้างบุญไว้1กิโลกรัมวันพรุ่งนี้เราทำดีเพิ่มขึ้น1กิโลกรัมความดีมันก็เพิ่มขึ้นเป็นน้ำหนักสองกิโลกรัมวันต่อๆไปเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งกิโลกรัมน้ำหนักของบุญมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ในเมื่อผลบุญมันมีมากจิตมันบันทึกเอาไว้มันก็ปราโมทบันเทิงอยู่กับความดีมันก็ไม่ใฝ่ฝันที่จะทำบาปทำชั่วอีกนี่ท่านหมายความว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำบาปแล้วเมื่อวานนี้แล้ววันนี้มานึกได้มาทำพิธีล้างบาปมาทำพิธีตัดกรรมตัดเวรมันเป็นไปไม่ได้ บาปกรรมเล็กน้อยที่เราทำมันก็อยู่นั่นแหละตราบใดที่เรายังไม่สำเร็จพระนิพพานเราเผลอไม่สร้างความดีขึ้นมาทีนี้ความดีมันลดน้อยลงลดน้อยลงจนกระทั่งหมดไปภายหลังมาถึงระยะที่บาปกรรมเล็กน้อยมันจะให้ผลได้มันก็ให้ผลทันทีมันไม่ได้หมดไป ที่บรรลุพระอระหันต์แล้วเนี่ยยังต้องเสวยผลของกรรมเพราะว่าการเสวยผลของกรรมเนี่ยเสวยได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีร่างกายนี้อยู่ถ้าสำเร็จพระนิพพานแล้วทิ้งกายไปแล้วร่างกายตัวตนไม่มีมันก็ไม่มีโอกาสได้รับผลของกรรมแล้วท่านที่สำเร็จนิพพานแล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับมาเกิดเป็นรูปเป็นร่างอีกมันก็หมดบาป หมดกรรมหมดเวนกันตราบใดที่เรามีกรรมที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่กรรมนิดๆหน่อยๆที่เราทําไว้เนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองเราทําบาปมาแต่วันนี้เรางดเว้นจากการทําบาป สวดมนต์ภาวนาเรื่อยไปเราไม่ทำบาปเพิ่มอีกในที่สุดมันก็ต้องสำเร็จพระนิพพาน